เวทนาปัจจญาตัณหาตัสาเย ว, วตันหายะอเสสวิราคานิโรธาอุปาทานานิโรโทเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแต่เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับ แห่งอุปาทานนี่แหละคือความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อทมุูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็เข้าสู่เชนาชนะอันสงัด ซึ่งอาจจะเป็นห้องนอนที่ไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆต่างๆอย่างไรหรืออาจจะเป็นห้องพระหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เราจะอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกมากไม่มีเสียงเอื้อทึกๆกโครมเป็นที่ทำการรับของมนุษย์ เราจะอยู่สงบสงบเงียบเงียบได้เรามาทำจิตให้มีความสงบกันทุกบฟังในรายการธรรมารับบรุณช่วงของจิตตะวีเวกทุกวันอคารไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นยามแรกแห่งราตรียามกลางหรือยามปลาย ในทั้งหกชั่วยามของวันเราสามารถปฏิบัติได้ทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านระหว่างเดินทางอยู่ที่ทำงานในคอฟฟี่ช็อปโรงเรียนหรือวัดวาอารามหรือแม้แต่บนเรือ บนภูเขาได้ทุกที่เถอะบุฟังเพราะว่าถ้าจิตเรามันไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละมันเป็นที่ที่จะให้เกิดการพัฒนาเกิดการปฏิบัติจิตเราก็หยุดมันด้วยเพราะว่าจิตเรามันก็ไปกับเราทุกที่มีภาษาที่ไหนเถอะบุฟังมีความดับทุก์ได้ที่นั้น จะดับทุกได้ที่ไหนตัมฟังมันก็ต้องมีความทุกข์ที่นั่นนั่นแหละวันนี้เรามาฝึกสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจผ่านทางผัสสะเวทนาตัณหาปัญญาสมถะวิปัสสนากันเริ่มจากการทำจิตของเราให้มีความสงบ ให้เป็นอารมณ์อันเดียวจะทำจิตของเราให้สงบเป็นอารมณ์อันเดียวได้จิตต้องมีสติทบฟังเป็นธรรมะชุดแรกที่พระพุทธเจ้าท่านคิดขึ้นตอนที่ท่านหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาตรงจุดที่ท่านเคยคิดท้อใจ ไม่รู้จะปฏิบัติไปอย่างไรมานั่งไตร่ตรองใรกรกลอนดูแต่บุฟังว่าจากจุดที่สิ้นหวังหมดหวังไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงแล้วจนมาถึงจุดที่บรรลุทําแล้วสมหวังแล้วตรวจตราตรวจสอบดูแล้วมันก็ใช่แน่ เออเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะเราผ่านมายังไงตามเส้นทางไหนอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แต่และอย่างเป็นยังไงยังไงนี่นะก็ได้ความรู้นี้ขึ้นมาท่าฟังว่าสตินี่แหละจะเป็นหนทางขอเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อจะก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำารลำพันธ์เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวเริ่มต้นไปจนตลอดทางระหว่างนั้นจนถึงที่สุดคือถึงความดับเย็นความระงับนั่นคือนิพพานได้ทางนี้คือสติปัฏฐานสีเพราะว่าในธรรมวินัยนี้ธมบั ง, งมีสติเป็น อธิบดีคือมีสติเป็นใหญ่ในการที่จะนำพาธรรมะทั้งหลายให้เข้ามาได้เราจะเริ่มให้มีสติได้อย่างไรจะตั้งไว้อย่างไรในเบื้องต้นเบื้องแรกตั้งแวางวาเราต้องมีเครื่องมือเหมือนเรารสร้างบ้านจะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ จะพัฒนาจะเดยวลอบจะปรับปรุงอะไรมันต้องมีเครื่องมือเราจะพัฒนาคือภาวนาปรับปรุงแก้ไขทำจิตก็ร้อยมันดีขึ้นเครื่องมือที่เราต้องใช้ให้เกิดสตินั้นมีหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านไหนไว้ วันนี้เราจะใช้คเครื่องมือที่เรียกว่าอานาปานสติคือใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือเพื่อให้จิตของเรานั้นเกิดสติขึ้นเพื่อให้จิตของเรานั้นเมื่อมีสติแล้วก็จะเกิดสมาธิขึ้นใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือด้วยการที่มาคอยสังเกตเขาสติคือการสังเกต สติคือการแยกแยะสติคือการที่เราเลือกได้สติคือความระลึกได้เริ่มต้นให้มาสังเกตลมหายใจธรรมวังลมหายใจมันอยู่ตรงไหนมันก็ที่เราหายใจเข้าหายใจออกทุกวันทุกวันอยู่นี่แหละจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามลมหายใจมันก็เข้าก็ออกอยู่แล้ว เขาเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติหนึ่งในหลายๆายระบบในร่างกายระบบอัตโนมัติในร่างกายก็เช่นระบบหายใจระบบเลือดระบบทางเดินอาหารพวกนี้เป็นระบบที่มีความเป็นอัตโนมัติคือไม่ว่าเราจะอยากให้มันทำงานหรือไม่อยากให้ทำงานเหมันก็ททำงานของมันอยู่แล้ว เป็นธรรมชาติของเขาระบบการหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติเราไม่ต้องบังคับไงเพระาะเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาวหี่หรือหา่าวเพียงแค่สังเกตสังเกตนะจุดที่เราพอจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ บางคนอาจจะเป็นที่ในโพรงจมูกด้านในบริเวณที่รับรู้ถึงกลิ่นบางคนอาจจะขยับขึ้นขยอบลงหรือถึงขนาดเอาจะมาเป็นปลายจมูกรตรงส่วนที่เป็นวงกลมที่ให้อากาศมาเจอเริ่มสัมผัสกับร่างกายของเราชุดไหนก็ได้ตามฝังที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ เราตั้งการสังเกตไว้แต่อย่างไม่ได้ใช่ปะยังไม่มีที่ทไมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเอางั้นลองหายใจลึกๆสักสองสามครั้งหายใจลึกๆสักสองสามครั้งแล้วรับรู้ถึงสัมผัสตรงไหนเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเดิม ปฏิบัอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแต่งไม่ต้องปรุงไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังแต่ให้ไหลคอหลังอยู่ยังสบายสบายทำอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูเฉยๆยไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามกระแสลมที่ผ่านเข้า ผ่นแล้วไปทางคอขั้วปอดท่ามกลางอกไปจนถึงทั่วช่องอกทั้งหมดจนรู้สึกถึงท้องผ่านตามกระแสเลือดไปจนถึงปลายมือปลายเท้านี่เราไม่ต้องตามลมเข้าแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกด้วยคําว่าตามนี่หมายถึงกําหนดตามมันไป ตามจังหวะการเข้าการออกไม่ต้องให้รู้อยู่ในที่บริเวณทางเข้าออกเท่านั้นคือที่ตำแหน่งเดียวตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุขขังมุขนี่คือหน้ามุขปริหมายถึงบริเวณหน้ามุกก็คือทางเข้าทางออกนั่นเองตามอาการสถานที่สาบริกรรมที่มันใหญ่ๆ บางทีเขาจะทำหลังคายื่นออกมาตรงบริเวณทางเข้าออกเพื่อให้คนที่เข้าออกนั้นไม่เปียกฝนไม่โดนแดดแล้วก็เป็นการบ่งบอกด้วยว่าตรงนี้เป็นทางเข้าออกนะตรงนั้นแหละทางฝังก็งเรียกว่าหน้ามุกทำเป็นหน้ามุกยื่นออกมาบางทีก็ทำยื่นออกมาเป็นสีด้าก็เรียกว่าจัตุรมุกให้ตรงทางเข้าทางออกที่เตรียมเอาไว้ทำเอาไว้นั่นแหละ ร่างกายของเราทำเอาไว้แล้วด้วยจมูกไงจมูกเป็นทางเข้าทางออกของลมตั้งจิตไว้ที่ตรงนี้แต่บางคนออกกำลังกายอยู่หายใจก็เร็วบ้างดีขึ้นบ้า ง, งแรงบ้างอันนี้ธรรมดาตามการออกกำลังกายบางคนถ้านอนอยู่ลองลุกขึ้นนั่งดูนั่งได้ไหมถ้าลุกขึ้นนั่งได้ก็นั่งเลย นั่งแล้วร่างกายไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากคางทีลมห้แชมัก็ยาวเบาห่างเราไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเพอเรารู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวนั้นคือการสังเกตตาําบวังสังเกตแล้วดูสังเกตอะไรอะสังเกตนี่สังเกตอะไรยังไม่รู้แหละแต่สังเกตลมไว้ก่อนนะ สังเกตแค่ลมเข้าลมออกไอ้บางทีเราอาจจะเห็นลมเนี่ยมันแรงบ้างเร็วบ้างโอเคเราไม่ต้องไปตามความคิดนั้นสังเกตนี่อาจจะสังเกตว่าไอ้มันอุ่นมันเย็นไม่เท่ากันเอออากาศที่ออกจากร่างกายก็มีความอุ่นมากกว่าอากาศที่เข้าสู่ร่างกายหญิงถ้าช่วงไหนอากาศเย็นๆโอ้รู้สึกว่า ลมเย็นมันเข้าลมร้อนมันออกหรือช่วงไหนอากาศร้อนๆคุณเอากลมข้างนอกนี่30กว่าองศาบางที่เกือบสีสโอ้ลมเข้านี่ก็ร้อนลมออกนี่ไม่ร้อนเท่ายังไงก็ได้เดิมฝั่งให้สังเกตเฉยๆคาว่าสังเกตนี่คือไม่ตามความคิดบ้างไม่ตามเสียงบ้างไม่ตามภาพบ้าง ไม่ตามการสัมผัสทางกายของลมบ้างไม่ตามไปสังเกตด้ยเฉยนะที่ว่าสังเกตด้วยเฉยนั้นท่านเปรบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูเขาสังเกตคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามไปยังไม่ได้ว่าจะต้องแยกแยะอะไรได้เลยนะแค่ว่าสังเกตดูเช็นเดียวกันเราสังเกตดูเราจะเห็นอะไรบ้างละ่ะ ที่เข้าออกสู่ในช่องทางใจของเราตอนนี้เอาคุณตั้งสติไว้ในใจใจมีสติเป็นที่เล่นไปสู่คุณสังเกตดูลมผ่านทางใจเห็นอะไรบ้างเหมือนยามเขาสังเกตดูคนเข้าคนออกอยู่ที่ประตูเขาเห็นใครบ้างล่ะโอยก็ทุกคนเลยล่ะที่เข้าที่ออกอยู่นั่นนะ่ะจะชายบ้างหญิงบ้าง เตียก็มีสูงก็มีใส่รองเท้าส้นสูงบ้างรองเท้าแตะบ้างเท้าปลาบ้างดูคนก็ใส่หมวกไม่ใส่หมวกมางคนก็แต่งตัวแบบนี้หรือแบบนั้นเราสังเกตเห็นหมดนะอะทุกฟังเหมือนการเราสังเกตอยู่ที่ช่องทางใจด้วยลมหายใจเราต้องเห็นลมถูกไหอย่างอื่นเราก็เห็นด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นลมอย่างเดียว เพราะว่าช่องทางทั้งหมมันจะมารวมลงที่ใจเสียงกระทบหูแล้วก็เข้าสู่ใจกลิ่นกระทบจมูกแล้วก็เข้าสู่ใจภาพกระทบตาแล้วก็เข้าสู่ใจเสียงพระมหาภัยบู์กระทบหูทำบูฟังแล้วก็เข้าสู่ใจถ้ากำลังกินอะไรอยู่มีรสมากระทบลิน้นก็เข้าสู่ใจเหมือนกันนะ เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายช่องทางเหล่านั้นก็ต่างจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่รวมลงกันเข้าสู่ใจลมหายใจที่ปานเข้าวันออกเป็นสัมผัสทางกายเรารับรู้ได้ก็เข้าสู่ใจบางทีมีลมแอร์ลมพัดลมลมธรรมชาติเย็นบ้างร้อนบ้างมากระทบตัวเรา เรารู้สึกได้นะก็เป็นสัมผัสทางกายต่างเข้าสู่ใจทั้งหมดในช่องทางใจมันจึงมีสิ่งต่างๆมารวมกันเหมือนคนต่างๆจะเข้าสู่อาคารก็ต้องผ่านประตูเรามาสังเกตดูเท่านั้นเองทุกบังไม่ตามเสียงนั้นไปไม่ตามภาพนั้นไปแต่ลืมตายอยู่ไม่ตามกลิ่นไปจะมีกลิ่นของหอมหรือของเหม็น เหมือนยามที่เขาเฝ้าประตูเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกนะก็ดูเฉยเฉสังเกตดูเฉยเเรามาสังเกตดูลมเนี่ยเราไม่ได้ตามลมไปไม่ได้ตามเสียงไปในขณะที่สังเกตดูลมมีความคิดด้วยนะผมอยู่ในช่องทางใจใช่ไหมคิดเรื่องคนอื่นบ้างดีตบ้างนาคตบ้างไม่ตามความคิดนั้นไปเขา้เขามาแล้วงไงเดี๋ยวก็ออกไปกลิ่นด้วยรถด้วยเสียงด้ เสียงมากระทบหูแล้วอาจจะคิดนึกนั่นนี่ไม่ตามเสียงนั้นไปไม่ตามความคิดที่เกิดจากเสียงนั้นด้วยไม่ตามความคิดที่เกิดจากสัมผัสทางกายนั้นอีกไม่ตามความคิดที่เกิดจากกลิ่นจากรถหรือจากภาพใดๆไม่ตามอะไรไปเลยยามเฝ้าอยู่ที่ประตูอย่างเดียวคอยสังเกตอยู่ เหมือนเราเฝ้าอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวสังเกตอยู่ไม่ตามอะไรอะไรไปเลยแค่เพียงสังเกตในต่ยูฝั่งเราจะเริ่มแยกแยะได้ละเพราะในขณะที่เราสังเกตดูอยู่มันไม่ได้เกิดแค่มีลมอย่างเดียวไงเป็นคนเฝ้าอยู่ที่ประตูก็ดูคนเข้าคนออกอยู่นี่สังเกตได้แล้วนี่มันก็เริ่มที่จะแยกแยะได้บางอันนี่ชายหรือหญิง ใส่เสื้อโคต้ตหรือใส่เสื้อยืดรองเท้าเป็นแบบไหนอะไรไงเขาต้องแยกแยะได้ละพอเริ่มสังเกตดูเขาเนี่ยความแตกต่างเไยเหมือนกันพอเราสังเกตดูลมดูลมไม่ตามความคิดไปเนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะได้ละว่าอ๋อไอ้ที่เรามาเราตึกถึงลมเนี่ยมันคือสตินะ น, นะชื่อมันเป็นอย่างนี้ะอ่ะเนี่ยเขามีลณะแบบนี้เฮ้ยในขณะที่เรา เมา่อเราได้ถึงลมหายใจดูอยู่เนี่ยให้เรารับรู้สิ่งอื่นได้ด้วยนะนี่นะฉันรับรู้ถึงเสียงผ่านหูรับรู้ถึงกลิ่นผ่านจมูกเออการรับรู้ที่เรารับรู้สิ่งเืินต่างๆเออมันไม่ใช่สติแฮะเออเป็นคนละอย่างกันนะนี่นะแค่เพียงสังเกตเนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะได้ละท่านผูฟังพอแยกแยะได้แบบนี้ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ลมหายใจเป็นเหมือนป้อมยามในช่องทางใจนั้นเป็นเหมือนกับประตูสิ่งที่ผ่านเข้าผ่านออกก็คือแสงคือกลิ่นคือรสคือความคิดนึกต่างๆผ่านเข้าออกแล้วแล้วยามน่ะคืออะไรยามที่คอยเฝ้าอยู่ก็คือความระลึกได้นั่นเองคือสตินั่นเอง การที่เรามาระลึกนึกถึงลมได้ความระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาเฝ้าดูลมไม่ใ่การดูการเฝ้านั้นคือสติลไมไา่ใ่คือลไมไายใ่ลมหายใจไม่ใช่สติจิตที่มาเฝ้าดูก็ไม่ใช่สติจิตก็คือจิตสิ่งที่เราอื่นๆเห็นได้ยินนั่นก็ไม่ใช่สตินั่นคือการรับรู้หรือวิญ ญ, ญาณ เห็นไหมมันจะมีการแยกแยะอยู่ในตัวเลยซึ่งเมื่อก่อนมันจะมันรวมมาตุ้มร่วมกันเป็นอั น, นเดียวกันเดียวกันบางทีเราแต่ไม่ตั้งสติไว้เราก็ดูไม่ออกแต่่อเราตั้งสติไว้เราเริ่มแยกแยะได้ละการที่เรามานึกถึงลมได้นี่นั่นคือสติใช่ไหมการที่เรามาดูรู้สึกอยู่กับลมได้นั่นนะนั่นคือสติไงการเลิกได้ในขณะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นได้มันจึงต่างกัน สติจึงไม่ใช่วิญญาณวิญญาณจึงไม่ใช่สติแต่มันต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่มีวิญญาณการรับรู้สติมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามีวิญญาณการรับรู้บางทีเราอาจจะไม่มีสติก็ได้ไงก็เปลือไงเลอไปตามการรับรู้นั่นแหละมันอย่างที่เราได้หายใจทิ้งไปหายใจทิ้งไปทิ้งไปนี่คืออะไร ให้ใช่แล้วก็เพลินไปตามลมบ้างเพลินไปตามความคิดบ้างเพลินไปตามเสียงบ้างดนตรีบ้างภาพบ้า ง, างการเพลิเพลินไปตามนั้นก็คือไม่มีสติไงแต่ดังนั้นที่มีการรับรู้ถูกไมละ่ะการรับรู้จึงไม่ใช่สติแต่พอรับรู้แล้วแล้วไงนะไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลม้ม ไม่ลืมหลงซึ่งลมหายใจการไม่ลืมหลงนั้นนะ่ะคือสติไงถ้าจิตที่ไปทําหน้าที่การระลึกคือวิญญาณมาระลึกถึงอยู่กับลมหายใจได้ความระลึกได้ไม่ลืมนั้นคือสติแล้วถ้าเราจะลืมเพลอไปมันก็เพลิไปตามความคิดนั่นแหละเสียงนั่นแหละภาพนั่นแหละที่เราไป รับรู้อื่นๆต่างๆด้วยเป็นวิญญาณผ่านตามช่องต่างพอเราสังเกตเราเริ่มแยกแยะจิตมันจะระงับทันทีต่างอัตโนมัติเลยเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มแยกแยะได้มันคือไม่เผลอไงพอไม่เผลอแล้วมันไม่เพลินพอไม่เพลินแล้วเรารู้ตัวแล้วเรามีสติแล้วมันจะไปได้ไง จิตมันจะไม่ได้ไปตามร้อยเคลื่อนเผลอเพลินรับสิ่งต่างๆที่มากระทบเลยไม่เลยคือมันจบเลยสบายเลยกระบวนการตรงนี้คือการที่จิตจะเริ่มมีความระงับลงระงับลงตามเส้นทางมาไม่ได้ยาวนานอะไรนะหนาทีนะบางคนจมนานกว่านั้นรู้บ้าอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ หลวงพ่ดอดรสาธิตโตปาโสเคยถามท่านนะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วหลงพ่อใช้วิธีการปฏิบัติอะไรดูลมหายใจหรือว่านึกพุทธโธอันนี้นิ่งไปเลยนะนิ่งเข้าสมาธิตัวตาในจิตของตัวเองเออเราทำไงไงนะ วุ้ยตะโบฟังกัประชาได้คำตอบเลยท่านนี่มีความชำนาญมากอยากให้มันเข้าได้เมื่อไรกำหนดจิตตั้งไว้ยังไงมันปุ๊บเข้าทันทีคือบ่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวนะในขณะที่บางคนอาจจะต้องใช้เวลา5นาทีนะได้นะทุกคนนะบางทีอาจจะได้แค่หนึ่งนาทีด้วยซ้ำหนึ่งนาทีแรกในช่วงนั้นอาจจะได้นิดหน่อย ได้ทุกคนได้ทุกคนน้อยลมหายใจหนึ่งได้แน่นอนเราได้น้อยหรือได้มากได้ทั้งนั้นสีขาวไม่ว่าจะน้อยหรือมากมันขาวกับสีดำอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันมีมากขึ้นล่ะก็สังเกตไปนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราตรึกตรึกสังเกตคิดนึกตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนจิตมันจะคล้อยเคลื่อน น้อไปตามทางนั้นจิตเราคล้อยเคลื่อนน้อไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะจะมีพลังขึ้นมา ท, าทันทีเพราะฉะนั้นพอเรามาจดจ่อไม่ลืมหลงไปในสิ่งต่างๆมาระลึกถึงอยู่กับลมสติเนี่ยจะมีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานสติ ท, ทัน ท, ทีกำบัตทันทีนี มันคือทันทีเลยแหละทีละน้อยละน้อยทันทีทันทีเลยเหมือนฝนตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดนี่ถ้ากระบวนการทางธรรมชาติความกดอากาศอุนหภูมิความชื้นอะไรต่างๆได้แล้วฝนจะหล่นลงมาทันทีเลยนะทันทีนั้นเวลานั้นสะสมเข้าสะสมเข้าไหลไปตามต้นไม้ตาม ซอกเขาซอกผ well. าบึงน้อยๆมันก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นตามฝนที่ตกลงทันทีทีละเม็ดละเม็ดนั่นแหละพอบึงน้อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นบึงใหญ่ก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเหมือนกันบึงใหญ่เต็มขึ้นแม่น้าน้อยก็เต็มขึ้นแม่น้ำน้อยพอเต็มขึ้นแม่น้ำใหญ่ก็เต็มขึ้นอีกแม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นตามแม่น้าน้อยแล้วไหลรวมลงมหาสมุทร มหาสมุทรก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นอีกอนี่ก็เกิดจากฝนทีลหยด์ลอยด์ที่ไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดตามกระบวนการของมันเหมือนกันนะทุกฝังสติเราเกิดขึ้นทันทีจากการที่เรากําหนดคอยสังเกตไม่เปลือยไม่เปลนทันทีเลยนะสติที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยสะสมสะสมไงสะสมอะไรไง จะทำให้จิตของเรามีความระงับลงระงับลงความที่จิตระงับลงส่วนเป็นอารมณ์เดียวนั้นนั่นนะเราเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิมันก็จึงเกิดขึ้นได้จากอย่างนี้ไงสะสมกำลังของสติให้ดีบุคคลผู้มีสมาสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้น สมัตนั่นแหละมันถึงจะถูกมันถึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าคนจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้โดยไม่มีสติมันไม่ได้นะแต่ใครจะมาบอกว่าเพราะฝ่านี้ปานนี้เครื่องรางของครั้งอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นจะคอยมาดลบันดาลให้เรามีจิตสงบไม่ใช่ละถ้าเราจะมีจิตสงบได้ก็ต้องมีเหตุมาจากสติ สติมอยู่ที่ใครมันไม่ได้ว่ามอบให้เป็นก้อนเป็นก้อนอัดชาร์จเหมือนแบตเตอรี่ใส่เข้ามาในใจเราได้มันไม่ได้เราต้องทำของเราเองใช่คําพูดบางอย่างเสียงบางอย่างภาพบางอย่างเราเห็นปุ๊บเราเราต้องึกขึ้นได้เตือนสติเราได้แต่สติก็ต้องเกิดขึ้นในใจเราเองอยู่ดีไงแล้วอะไรจะมาเป็นเรื่องให้เกิดสติได้ละ่ะ อย่างที่ว่าว่าเรื่องมือมีหลายอย่างในที่นี้เรามาฝึกใช้ลมหายใจเป็นเรื่องมือทำจิตให้มีสติเมื่อมีสติแล้วจิตจะค่อยระงับลงระงับลงสงบลงทุกฝั่งสงบลงแล้วนั่นคือเป็นสมถะเป็นจิตที่เป็นอารมณ์เดียว เราจะให้จิตของเราที่มีความเป็นอารมณ์อันเดียวมันได้มีปัญญาค้านเห็นตามความจริงเกิดขึ้นรู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าวิญญาณการรับรู้สิ่งต่างๆนะรู้ในที่นี้หมายถึงญาณคือมันก็มาจากรากศัพท์คาเดียวกันนะคว่ายะนี่คือรู้วิญญาณที่มียะ ยานก็มียะยังมีคนอื่นอีกใช้คำว่ารู้แต่ว่ารู้คนละแบบรู้แบบวิญญาณคือรับรู้เฉยๆรู้แบบยานี่ต้องรู้ด้วยปัญญาจะให้มียานมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างปัญญาแบบนี้เกิดขึ้นในใจของเราจิตเราต้องมีการพิจรารณาสุ๊บฝัง พิจารณาบทแห่งธรรมะที่ได้ยกมาตั้งแต่ตอนต้นทั้งบ่าวฟังท่านได้ตรัสถึงความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความทุกข์เอาไว้ข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทั้งบ่าฟังคิดพิจารณาตามไม่ดีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มีได้ยังไงหุ่ยเราเห็นภาพที่ไม่น่าพาใจนี่แหละ เสียงที่ไม่น่าพอใจบ้างน่าพอใจบ้างใช่ปะเอาคุณเห็นได้ไงก็มีเสียงเนี่ยแนหะมีภาพเนี่ยหนะแล้วก็ต้องมีตามีหูด้วยตามีเสียงแต่ไม่มีหูหูหนวกมันก็ไม่ได้ยิน่ะมันจะเข้าสู่ใจเราไม่ได้แต่เพราะมีเสียงด้วยมีหูด้วยจึงเข้าสู่ใจรุดเลยทางไหนทางวิญญาณ วิญญาณที่จเป็นตัวเชื่อมต่อไงระวางเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกที่เป็นทางกายเป็นทางรูปกับโลกที่เป็นภายในคือที่เป็นทางนามเป็นทางใจกายใจใช่ไหมนั่นก็คือนามรูปนั่นแหละมันเชื่อมกันอยู่ได้ด้วยวิญญาณวิญญาณหมายถึงการรับรู้ตรงตรงมาตามช่องทางเขาด้วยนะ เสียงเราก็เรียกว่าโสต ว, วิญญาณช่องนี้มาตามทางหูกลิ่นเราก็เรียกว่าคานาวิญญาณช่องนี้มาตามจมูกเป็นต้นลมไม่ใชจล่ะเป็นสมบัติต่างไรทางกายเราก็เรียกว่าโพธิภะมาตามทางช่องทางกายเข้าสู่ใจเป็นน้ํากายใ้นา้ารูปมันจึงล็อกกันเชื่อมกันอยู่ด้วยกานแบบนี้เข้ามาแล้วไง นั่นแลเป็นภาษาแล้วเพราะมีตามีรูปมีจักษุวิญญาณสามอย่างรวมกันเรียกว่าเป็นภาษามีภาษะตรงไหนทรรมฝังมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีและบาทีเราก็เรียกชื่อเขาด้วยนะภาษะแบบนี้โอ้ เ, อเราเรียกว่าหิวข้าว หิวแล้วเออทำไมอ่ะภาษาไปแล้วมันจะกุดกูดกูดกูดอยู่ที่ท้องเนี่ยโหหิวหิวหิวเออมันเป็นภาษาแบบนี้ใครจะไปเรียกความรู้สึกที่หัวปวดหัวเนี่ยเรียกว่าหิวข้าวอ่ะมันไม่ใช่ปวดหัวให้ปวดหัวอนที่เราตั้งชื่อว่านี้ปวดหัวนะมันคือสัญญาเพราะว่าคุณตั้งชื่อผ่านทางภาษาตรงหัวนะ่ะขอเดี๋ยวนะ ถ้าปวดข้างเดียวก็เรียกไมเกรนด้วยนะเออมันต่างกันชื่อว่าปวดหัวชื่อว่าไมเกรนเป็นสัญญาตามอะไรตามภาษาแบบนี้และภาษาแบบนี้ฉันชอบเลยก็จึงเป็นทุกขเวทนาด้วยหรือเป็นสุขเวทนาด้วยเพราะมีภาษาไงมันจึงเกิดสัญญาได้เพราะมีภาษาไงจึงเกิดเวทนาได้สัญญาและเวทนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผล ของผัสสะโดยสัญญาเป็นชื่อเรียกแต่เวทนานั้นเป็นความรู้สึกที่พอใจชอบหรือไม่ชอบเหมือนที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันบางทีมันเกิดขึ้นทีละอยะ่างบางทีมันเกิดขึ้นแตกต่างกันต่างว่าระถึงถ้าเรากินข้าวแล้วเราอิ่มอย่างเงี้ยนะอิ่มนี่เป็นอะไรถ้าชื่อว่าอิ่มเฉยเนี่ยคือเป็นสัญญาไงแต่ความรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นมานีิ ให้ความรู้สึกนั้นนะ่ะคือภาษอาอ๋อทำไมท่านเรียกว่าความรู้สึกคือี่ภาษาคนเนี่ยภาษาไทยเราอ่ะเราเรียกภาษานั่นนะ่ะว่ามันเป็นลักษณะชื่อว่าอิม่มทีนี้ภาษาที่เป็นแบบนี้มาเรากระทบเกิดขึ้นในท้องเราแบบนี้แบบนี้คุณพอใจหรือคุณไม่พอใจอ่ะหรือคุณเฉยเฉยความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆนั้นเราเรียกว่าเวทนา เห็ไหมว่าสามดวที่เป็นกำกวงนะตูฟังคำว่าความรู้สึกหนึที่เราอาจจะหมายถึงผัสสะคำว่าความรู้สึกหนที่เราอาจจะหมายถึงตัวเบทนาเพราะฉะนั้นตัมบูฟังจึต้องกำหนดตั้งสติไว้ให้ดีเลยนะพระพุทธเจ้าพยายามจะใช้บทพยัญชนะที่มีความรัด ก, กุมรอบครอบไม่ละหลวมตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ใช้มานั่นแหละแต่บอความสามารถมันก็ต่างกันนะนะ พระรมชาตท่านรัดกลุ่มรอบครอบมากพระมาหาไปบุญมางทีอาจจะมีลหลุดๆบ้างแต่ให้เข้าใจว่ามันต่างกันอยู่ยห็นความรู้สึกว่าเราง่วงอย่างนี้ะนะความรู้สึกใช่ปะใช้คำนี้ไม่ถูกเรามีผัสสะแบบเนี้ยคืดมาอยู่ที่หลังเบ้าตาอยู่ที่ท้ายทอยมันจะเรียกผัสสนี้ว่าอะไรอ่ะคนทั่วไปก็จะ ใช้คำนี้ว่า เ, เราจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าอะไรแต่แหมยังไม่ไดน้นธิบายเลยว่าเป็นความรู้สึกสู่หรือทุกอะไรมันข้ามกันไปแล้วไอ้ภาษาแบบนี้ต้องใช้คำนี้ถึงจะถูกภาษาแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้อย่าใช้ปนกันนะภาษาแบบนี้เรียกว่าคือสัญญาคือง่วงนอนเราก็มีความรู้สึกว่าไงโอ้ยไม่ชอบเลยนั่นก็เป็นทุกขเวทนา มีความรู้สึกเออพอใช่ดีนั่นก็เป็นสุขเวทนาหรือมีความรู้สึกเฉยๆนะนั่นก็เป็นทุกข์กมสุขเวทนาไงแล้วผัสสะแบบนี้เมื่อทีมันก็จะไม่เกิดผัสสะอย่างอื่นตามมาอีกพอคุณปวดเมื่อยตรงนี้คุณก็ปวดเมื่อยตรงนั้นต่อไปอีกไอความรู้สึกนี่นะใช้ภาษาไม่ถูกนะเราจะเรียกความรู้สึกไม่ได้เราต้องเรียกว่าผัสสะ ภาษาลักษณะนี้เราเรียกว่ามันปวดคําว่าปวดเนี่ยเป็นสัญญาปวดแล้วยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกเป็นทุกขเวทนาซึ่งเวทนาบางทีระหว่ า, างมันเกิดซ้อนกันได้สิ่งบางคนเจ็บปวดแล้วใช่ไหมเจ็บปวดเนี่ยเป็นชื่อเรียกใช่ป่าเป็นสัญญาตามอะไรตามภาษาแบบนี้ ที่กล้ามเนื้อนี่ที่ท้ายทอยนี่ที่หลังลูกกตาแบบนี้ในหัวสมองอย่างนี้เราเรียกว่าสัญญาและพันศาที่เกิดขึ้นนั้นเราเรียกว่าพานศาแล้วเราก็ไม่ชอบใช่ไหมหนึง่งคือดุกรเวิดตาบางทีชอบนะเพราะอะไรเอาเป็นข้ออ้างไปนในการลางงานได้เออไม่ต้องไปทํางานเว้ยป่วยแล้วเออดีชอบเออซุขเวทนาก็เกิดไง เกิดขึ้นในภาษาที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละเออมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเออเห็นบางคนถูกตีอย่างเงี้ยถ้าถูกตีถูกทุบหลังแต่คนทั่วๆไปเกิดรับรู้ภาษานั้นมาเฮ้ยถูกทุบแล้วนี่นะการที่เรารู้ว่าเราถูกทุบนี่เรียกว่าทุบนี่คือสัญญาใช่ไหมภาษากระทบมาแล้วหู้ปวดบว ด, บวด เรียกว่าปวนี่คือสัญญาล้ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนี่คือทุกขเวทนาละแต่ถ้าเป็นท่านพระสารีบุรีท่านอดทนเลยนิ่งเลยทุกขก็มาสุขไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ไม่สนแต่บางคนนี่ก็ชอบซาดิสไงชอบเจ็บเจบเออเขาทําให้เจ็บเจ็บนี่ชอบเออแบบนี้ก็มีมีสุขเวทนาเกิดขึ้นจากภาษาแบบเนี้ที่แต่และคนบางทีก็มีเวทนาเกิดขึ้นแตกต่างกัน ประเด็นที่สําคัญตรงนี้ท่านผ้คือว่าพอเรามีเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ตามปกติแล้วก็จะโหยหาให้มีมากขึ้นในสุขเวทนาเป็นบาสุขเวทนานั้นจะเกิดจากภาษาที่มันทำให้เจ็บเจบหรือสุขเวทนานั้นจะเกิดจากภาษาที่เป็นคําพูดให้เรายินดีชื่นชม ไม่ว่าภาษาเนื่องจะเกิดจากสัมผัสทางกายลักษณะให้เราอิ่มขึ้นสบายใจขึ้นเกิดภาษาแล้วมีเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเป็นฐานที่ต่างแตกต่างกันมีความพอใจในสุขเวทนานั้นมีความไม่พอใจในทุกขเวทนานั้นความพอใจไม่พอใจนั้นน่ะคือตัณหาธรมฝัง ตัณหามันก็อยากได้สิ่งที่สุขไม่อยากได้สิ่งที่ทุกข์ไงความอยากได้นั้นก็เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาความไม่อยากได้นั้นก็เป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแตาอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เป็นกามเป็นเสียงเป็นรูปเราก็เรียกว่ากามตัณหาแตาเป็นไปในธรรมารมณ์ใดหนึ่งเราก็เรียกว่าเป็นภาวะตัณหา มีตัณหาแล้วไงมีตัณหาก็มีอุปทานไงดิอุปทานคือความยึดถือยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราหรือว่ายึดถือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราของฉันของเธอไงที่ว่าไม่ใช่ของเราพอมีฉันคือเราก็มีเธอคือเขาไงพอมีเรามีเขามีฉันมีเธอมันก็มีของเรามีของเขามีของฉันมีของเธอไง มันครืบคลบายไมได้ไงเนี่ยอุปทานท่านผู้ฟังตัณหาอุปทานเป็นคนเรือขายเป็นเน็ตเวิร์กเป็นโยงใยเป็นน้าเหนียวๆที่มันยืดเป็นเมือกคอยยืดโยงสิ่งต่างๆไว้เหมือนใยแมงมุมเหมือนในบ่อโครนที่เป็นเปลือกตมมันชุ่มทั่วไปหมดตัณหามันยืดโยงไปอุปทานก็ตามไป มีความยึดถือตรงไหนนะั่นคืออุปทานใช่ไหมก็จะมีความเป็นสภาวะคือความเป็นพบณนะที่ตรงนั้นตรงนั้นนะความเป็นพบความเป็นสภาวะนั้นหมายถึงความที่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านเปรียบเทียบไว้กับพยับแดดที่ว่ายมองไกลๆมันเหมือนเป็นตัว่าเป็นอะไรมีน้ำมีอะไรตรงนั้นนะ จะเกิดขึ้นเห็นชัดเจนมากเลยในทะเลทรายเติบฟังเคยดูหนังดูภาพยนต์เี่ขาเห็นภาพลวงตาในทะเลทรายเป็นโอเอซิสอย่างงี้นะเพราะว่ามันร้อนมากตอนกลางวันแดดนแผดเผาทำให้พื้นดินมันเกิดเป็นความร้อนแล้วแสงสว่ามันก็สะท้อนกลับหมดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ความที่มันลวงตาก็คือว่า มองไกลๆเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางทีเห็นเป็นเหมือนปราสาทราชวังเห็นเหมือนเป็นคนเห็นเหมือนเป็นต้นไม้เป็นน้ำเป็นอะไรต่างๆโอ้สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาเลยอยู่ไกลๆนู่นแต่พอเข้าไปจริงๆนะไม่เหลือเป็นทรายธรรมดาเป็นว่างๆนะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือความเป็นสปาว่า แต่จริงๆที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเป็นนั่งเป็นนี่เป็นโน้นนะสําคัญนั่นนั่นนี่นั่นโน้นนั่นแหละคือพบทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะคุณเขาไปยึดถือแล้วไงเลยถามมาเรื่องที่คุณบอกมันสําคัญสําคัญเนี่ยคอขาดบาตายจนบงทีเป็นดราม่าเลยนะโดยเฉพาะยิ่งพวกมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านี่เป็นดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คุณเห็นสิ่งนั้นโดยความสภาว่าเป็นพบไปแล้วเพราะอะไรเพราะยึดถือแบบนี้คุณหนึ่งเข้ามาดูเป็นยังไง โอ้คุณลุงคุณป้ามันไม่ได้อะไรปานั่นหรอกทำใจให้สบายอย่าไปดรามา่าอย่าไปอะไรเขาเลยเออนั่นแหละแต่เราไม่ยึดถือไงมันก็ไม่มีพบเป็นสภาวะใช่แต่ถ้าเรายึดถือมันก็เป็นพบเป็นสภาวะขึ้นมาแหละพอมีความเป็นสภาวะเป็นพบแล้วจิตนั้นมันก้าวลงไปงทันทีมันยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเลยนี่ของฉัน ในกองฉันนายสิทธิของฉันนี่กฎระเบียบมต้องเป็นอย่างนี้ที่ตู่ต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นมัน เ, เป็นหนังคนละมวล้วนเรื่องรามันต้องตู่ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างงี้นะไอลักษณะที่บัจิตคุณปักเข้าไปแล้วนี่จิตคุณฝังลงไปแล้วเนี่ยนั่นคือการเกิดเนี่ยท่านผู้ฟังการเกิดนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราแบบออกจากคันมารดาร้องอแว่อแว่นั่นเท่านั้นนะ นั่นก็ใช่การเกิดอยู่เป็นคนขึ้นมาแต่การที่จิตของเราไปก้าวลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยถือว่านี้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นก็คือการเกิดเหมือนกันหรืออย่างตอนเราเด็กๆแล้วเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวว่าเออตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเออตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่นะ ไปตอนเด็กๆที่เราคิดว่าชั้นยังเด็กอยู่นะพ่อแม่สอนว่าคุณจะทำสิ่งนั้นไม่ได้คุณจะกินเหล้าไม่ได้คุณจะกินกาแฟไม่ได้แต่พอเป็นไบรรุ่นขึ้นมาไหนซึ่งเวลาฉันโตแล้วนะโตเรื่อนึ่ก็ฉันลองดูนะนี่ไงคือความที่เราคิดว่าเราโตแล้วเราทำนั่นได้ทำ น, นี่ได้นั่นแหละคือจิตเนี่ยคุณก็ไปเกิดแล้วเกิดในความที่เราเป็นเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความเกิดขึ้นกนะ็คือการเกิดคือชาติชาติ มีความเกิดแล้วเป็นยังไงตงบูฟังดูอย่างเราตอนที่เราชันเป็นวัยรุ่นแล้วนะชั้นโตแล้วเนี่ยแน่นอนเลยมันโตต่อไปอีกมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่คนที่อายุสี่สหรือเกิน60แล้วผ่านกลางคนมาแล้วนี่เข้าสุ่บกลางคนมางคนเข้าสุ่บปลายไอ้ที่มันดับไปแล้วไปลายไปแล้วนั่นคือตัวเราตอนเด็กๆนะตัวเราตอนเด็กๆนั่นนะ ตายไปแล้วอ๋อก็ตัวฉันก็ยังอยู่นะมันเป็นกระแสเฉยๆเหมือนกระแสไฟที่เราเห็นสิ่งของต่างๆได้อยู่ตอนนี้นะเพราะว่ามีไฟฟ้าใช่ไลก็เปิดไฟอยู่นี่มีไฟฟ้าเห็นแสงมันกระทบเอาแสงตะกี้นะ่ะหมดแล้วนะแสงภาพอะไรต่างๆที่เราเห็นตอนนี้นี่เกิดจากแสงชุดใหม่แล้วนะ อ๋อของก่ามันไปไหนมันตายไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปได้ไงเพราะมันเป็นกระแสะเราเรียกว่ากระแสะไฟงไงหรือคุณเอาไปดูแม่น้ํำชาบพระยาแม่น้ําโขงแม่น้ําบางบกงแม่น้ําปิงวังยมน่านคุณจุ่มมือลองไปดูชักมือขึ้นมาโอโอเคโอเคสัมผัสโดนน้ําอยู่เพราะน้ําเลื่อนไหลต่อไปแล้วเนี่ย เราจุ่มลงมือดูไปทีในน้ำนั้นเป็นคนละน้ำแล้วนะน้ำเก่านั้นมันเคลื่อนไปแล้วอ๋อไปไหนอ่ะมันเป็นกระแสมันเคลื่อนไปแล้วที่โดนเนี่ยไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่แล้วน้ำใหม่มาเอ๊ะแต่ก็นไม่น้ำเดิมนะตําแหน่งเดิมด้วยที่เราจุ่มมือลงไปแต่น้ามันเปลี่ยนไปไงทากฝั่งเป็นกระแสพอมีเกิดแล้วก็จะมีแก่มีตาย มีแก่มีตายมันก็ตามมาด้วยความเจ็บด้วยตามมาด้วยความโศกด้วยความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายตามกองกันมาเป็นปรวนท่านจะบอกวันนี่แหละคือความตั้งอยู่คือความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งมวลความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้แต่จำฝัง แต่ความทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนความดับไปแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นหมายถึงมันดับได้ณนะที่ตรงนั้นเหมือนกันฟังให้ดีนะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดหรืออะไรจะดับมันต้องมีเหตุผลมีเงื่อนไขมีปัจจัยทุกข์มันเกิดมาอย่างเนี้ยมีปัจจัยเงื่อนไขมาเป็นอย่างนี้ เอาแล้วถ้าจะดับลรงเงื่อนไขปัจจัยมันต้องเป็นยังไงท่านจึงบอกเอาไว้ตรงนี้ว่าจุดอ่อนของกระบวนการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์นี่มันจึงอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงเวทนามีเวทนาอย่างไรจึงจะไม่มีตัณห า, าบูฟังฟังให้ดีนะเพราะมีภาษาใช่ไหยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีความเกิดความแก่ตามไปเรื่อยๆประกอบด้วยของทุกข์แต่ท่านบอกว่าเพราะความดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเดียวตัณหายอาอเสสาวิราคะนิโรธาจึงมีความดับแห่งอุปทานอุปทานะนิโรโ มันมาดับตรงตัณหาได้เอ้าทำไมตะกี้บอกมีเวทนาและมีตัณหามีตัณหาและมีอุปาทานไอ้คราวนี้บอกมีเวทนามีตัณหาแต่เพราะตัณหาดับไปอุปาทานจึงดับเอ้าก็มีเวทนาเหมือนกันตัณหาเกิดเหมือนกันแล้วทำไมตัณหาอันหนึ่งมันดับได้จึงให้ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แต่ตัณหาอีกอันหนึ่งมันให้เกิดอุปาทาน เอาแล้วตัณหาสองอย่างน้่มัต่างกันยังไงตัณหาที่ทำให้เกิดอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีตัณหาใช่ปะแต่ตัณหาที่มันดับไปจึงไม่ทำให้เกิดอุปาทานอ๋อก็มีเวทนาก็ต้องมีตัณหาดิแต่พอมีเวทนาแล้วทาไมตัณหามันด่าปากข่านี้จุดอ่อนมันจึงอยู่ตรงนี้ไงทูฟังกำหนดจุดอ่อน วิกัสลิงค์คือจุดอ่อนของกระบวนการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์มันจึงอยู่ตรงเวทนาความรู้สึกพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ท่านฟังกับทั้งท่านปราสารีบุตรกับทั้งพิกิุทั้ ง, ง, ง, ง, าา ง, งหลายท่านบอกไว้บอกว่าเวทนามีสามอย่างนาะคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุก เวทนาและยังกล่าวไว้ด้วยท่านฟังว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ยังกินจิเวทายตังต่างทุกขสัมินติคือเวทนาอะไรก็ตามน่ะเหมันเป็นทุกหมดอ่ะไม่ว่าจะสุหรือทุกเหมันเป็นทุกหมดทําไมอ่ะ พระท่านกล่าวหมายถึงความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจงของสังขารทั้งหลายที่มันปรุงแต่งกันมาแบบนี้ท่านยังกล่าวหมายถึงความเป็นของที่มันสิ้นไปเสื่อมไปคือขยะวะยะของสิ่งต่างๆที่เป็นกระบวนการการปรุงแต่งกันมาแแหละเป็นของสิ้นไปเป็นของเสื่อมไปแล้วยังเป็นของจางคลายไปเป็นของดับไป คือวิราคะานิโรธะด้วยของอะไรของกรวนการการปรุงแต่งกันมาทั้งหมดนั่นแหละเจาะจงลงไปกับของเวทนานี่แหละจึงกล่าวไว้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงประชุมลงรวมลงในความทุกข์ทั้งสิน้นจุดอ่อนมันอยู่ตรงเวทนาว่าคุณเห็นไหมเวทนา เห็นยังไงก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยปวดบ้างเมื่อยบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังไงอ่ะเห็นยังไงเห็นนี่ไม่ใช่แค่ว่ารับรู้นะเห็นรับรู้คือวิญญาณแต่ต้องเห็นรับรู้ได้แล้วเกิดสติไงสติกับวิญญาณคนยากที่ว่าเห็นรับรู้เกิดสติแล้วจิตุมเป็นสมาธิไงจิตุมเป็นสมาธิแล้ว วิปัสนามาอยู่ตรงนี้ต้องเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจ์เห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของสิ้นไปของเสื่อมไปขยะวยะเป็นธรรมดาเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของจางกลายไปเป็นของดับไปเป็นของแปรโชนไปคือวิราคะนิโรธ แล้วก็เป็นวิปริตไปเป็นธรรมดาเป็นก็มนอย่างนี้เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองคําพูดคําว่าไม่เที่ยงนี่มันต้องรวมถึงเห็นว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปจางคลายไปดับไปแปรปรวนไปเอามาทั้งพวงเลยนะเห็นตรงไหนเห็นตรงที่คุณรู้สึกรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ภาษานะ แต่รู้สึกในที่นี้คือเวทนาเวทนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้สึกคือภาษานั่นแหละรู้อย่างทําไมบางคนใช้คําแบบสับไปสับมาเพราะมันอยู่ด้วยกันซึ่งบางทีใช้คําสับสนกันเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ใช่อย่างเดียวกันพระบรุตรเจาต่านอยากไงใครจะมีปัญญาปานนี้เหมือนเหรียญคนละด้าน ก็เหรียญเดียวกันนั่นแหละแต่ด้านหัวก็มีด้านก้อยก็มีก็เหรียญเดียวกันนั่นแหละสารมันก็มีเอาโอ้ตองมีปัญญานเนี่ยถึงจะเห็นรอบด้านเข้าใจทั้งสุขทั้งทุกข์รู้ทั้งเกิดและดับเออนี่ฉลาดไหมเห็นดยกว่าม็นก่อไม่เที่ยงมันถึกจะฉลาดเห็นอะไรนะเวทนาทำไมเอาเวทนา เพราะทุกอย่างมันมารวมลงตรงนี้จะเสียงจะภาพจะกลิน่นมันจะต้องมารวมลงตรงเวทนาที่ให้เราเกิดความรู้สึกสุขบ้างหรือทุกบ้างไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอาหารอร่อยหรือกลิ่นเหมน็นหรือเราจะเรียกมันว่าปวดหัวหรือเราจะเรียกมันว่าอิม่มเหล่านี้นะกลิ่นเหมน็นกลิ่นหอมผ่านทางจมูกใช่ ยิ่มบ้างปวดหัวบ้างนี่คือสัมผัสเป็นปรดภาวทางกายนะอาหารอร่อยไม่อร่อยนี่ก็เป็นรสผ่านทางลิ้นนะเหล่านั้ น, น่ะมันมารวมลงเข้าสู่ใจแล้วเราเรียกว่าภาษาเป็นบาตรงนั้นเราเจะเรียกชื่อมันว่าอะไรภาษาตรงนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าคุณเรียกชื่อมันว่าอะไรที่มันคือสัญญาแต่บางีเราก็เรียกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ ความรู้สึกจริงๆที่เราเกิดขึ้นกับผัสสะที่เราเรียกมันว่าสัญญาณนั้นๆความรู้สึกจริงๆตัวนั้นนหะคือเวทนาว่าสุขเวทนาทุกเวทนาหรือไม่ใช่ก็ตามให้เห็นว่าสิ่งนั้นนะ่ะไม่เทียงมันมารวมลงตรงนี้ไงมันมารวมลงตรงนี้เราเอาตรงที่ว่ารวมลงตรงเนี้ยจะเรียกว่าต้นตอก็ได้จะเรียกว่าสุดท้ายก็ได้เพราะว่าจากนี้ไปถ้า ไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้มันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจนั่นคือจึงมีตัณหาตัณหาจึงอุบัติขึ้นและถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงวเออน่ะเวทนาไม่เงียบเป็นของเกิดดับเป็นของเกิดขึ้นดับไปเสื่อมไปได้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตัณหายะนิโรธาทุวัง เวลามันจะดับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดับพวเลนะ่นียมันไม่ใช่เป็นศูนเป็นหนึ่งมันตค่อยๆจางคลายไปท่านใจกับ ว, วิราคะคือความจางคลายไปเหมือนน้ามันค่อยๆไหลไปใช่ไหมละ่ะไหลไปจากสูงสู่ต่ําจากบึงน้อยสู่บึงใหญ่จากแม่น้ําน้อยสู่แม่น้ําใหญ่สู่ทะเลเหมือนกันเราเห็นความไม่เที่ยงของปัจจัต่างๆที่ให้เกิดเวทนา เออเพืทีมก็ไม่ได้เห็นตลอดหรอกเห็นบ้างนะสะสมในรหว่างปัญญาสะสมได้สะสมไปสะสมไปเป็นปัญญาข้อนั้นข้อนี้คุณรู้ได้รู้ด้วยอะไรยานสะสมด้วยอะไรสตริมีสติตั้งไว้สะสมไว้อยู่ในจิตของเราเกิดเป็นปัญญา ในการปล่อยวางได้นะปล่อยวางนี่คืออะไรอุปาทานมันจะดับไปปล่อยวางนี่คือไม่ใช่ไปทำลายสิ่งนั้นๆัฉินบว่าถ้าเรายึดติดกับรถบ้างกับบ้านบ้างโอ้จะแม่ยึดติดกับไปทำลายรถทำลายบ้านหรือค่าตัวตายไม่ทูกแต่จะปล่อยวางนี่ไม่ใช่ไปทาร้ายทาลา ย, ลายแต่ละความยึดถือนั่นเองอุปาทาน จะกำจัดความยึดถือได้ต้องดับตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธได้อุปาทานดับไปได้จะให้ตัณหาดับไดใช่ไหมซ้าอยู่ตรงนี้ดูฟังเราต้องเห็นเวทนาเห็นเวทนาด้วยความเป็นของไม่เตียงในเอพิโซดหน้าดูฟัง ข้าเจ้าจะมาสอนวิธีการที่เราจะจับเจ้าเวทนานี้ยังไงนี่เราก็จับได้แล้วล่ะแต่อยากจะพูดให้มันชัดเจนจริงๆไปทั่วร่างกายทั่วความคิดทั่วจิตใจของเราทั่วทวนทุกภาษาว่ามีภาษาแล้วเราจะจับเวทนาได้ยังไงก็มีภาษาที่ไหนเวทนานก็อยู่ที่นั่นละเวทนาอยู่ที่ไหน เราจะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาได้ก็ตรงนั้นแหละอย่าเพลินอย่าเผลอให้ตั้งสติไว้ให้ดีในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับตําบูฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donaiso.co กับพระเจาประมหาไปบูลอับฮิปโนจากวัดป่าดอนไอโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปอน